จริงนี่เป็นการตัดตอนดังนั้นความรู้อันนี้นีไม่สมบูรณ์ครับจริงๆไม่มีอะไรที่ไม่เที่ยงครับความไม่เที่ยงก็ไม่มีครับมีอะไรบางสิ่งมันเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆไม่ไมจบไม่สิ้นของมันมันไม่มีสามารถตัดตอนได้เวลาเราคิดบอกว่าขนมปังชิ้นนี้เป็นเป็นอนี้จังทุกขังอนัตตาดังนั้นความรู้ของเราเกิดการแยกแยะชีกส่วนหนึ่งมาพิจารณาเป็นการศึกษาเป็นกรณีเท่านั้น น, น, นั้นผลจึงแค่ความระงับเท่านั้นครับไม่สามารถเข้าใจสภาวะ ท, ทั้งหมดได้แต่การเข้าใจสภาวะทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นในช่วงคลิปตารับไม่อาจเกิดจากการพิจารณาเป็นตอนเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นแคสเป็นกรณีได้ที mm hmm. นี้ในวงการวิจารณ์รู้กันแล้วครับว่าศ mm hmm. าสตร์แขนตงต่างๆในวงการวิจารณ์การนั้นบกพร่องอตรงนี้ครับคือมันศึกษาเป็นกรณีเกินไปแยกแยะรู้จริงรู้ลึกในเรื่องเดียว สิ่งสำคัญคือสภาวธรรมนั้นไม่รู้ครับไม่รู้ว่ามันสัมพันธ์กันได้อย่างไรจริงหรืแต่ความรู้ที่เกิดกับพระพุทธองค์หรือผู้รู้นั้นเกิดจากการจับสู่ไม่ได้เกิดจากการคิดสะสมข้อรู้นะโดยวิธีตรรกะหรืออานาลิติสภาษาอังกษจะใช้คำนี้นะครับซึ่งนักวิชาการถนัยยนดที่จะใช้ลองยื่นเรื่องหนึ่งให้กับนักวิชาการเขาจะคิดออกมาอย่างลึกซึ้งทีเดียวแต่า ก, การศึกษาเป็นกรณีครับถ้าทําอย่างนี้นะอย่างดีที่สุดก็กลายเป็นจิตวิทยาเท่านั้น สมมตาผมหยิบขนมปังขึ้นที่นาว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาผมคิดได้ดังนั้นผมก็คลายความยึดถือต่อขนมปังนี้ได้เป็นกรณีหนึ่งแต่และผมไม่เข้าใจสภาวะทั้งหมดของมันสัมพันธ์กันอย่างไรถไปไกลกว่านั้นนะครับเที่ยงก็ไม่มีครับไม่เที่ยงก็ไม่มีครับผู้ที่กล่าวโลกนี้เที่ยงเป็นมิจาทิฏฐินะผู้ที่กล่าวโลกนี้ไม่เที่ยงก็เป็นครับไปสำรวจดูใน ในข้อนยามที่เจ้าวางไว้ให้ดีต้องไปเรื่องคิดขึ้นทางนั้นทัศนะจะไม่สมบูรณ์ทัศนมิสยัยการเห็นจะไม่สมบูรณ์เลยครับตาบไดที่ยังมีความคิดกระสิบกระซาบแทรกแฝงอยู่แต่การเห็นที่สมบูรณ์นั้นไม่มีความคิดอยู่ในนั้นครับดังนั้นธรรมชาติจึงเปิดเผยตัวมันเองมาให้ปรากฏเต็มรูปเต็มเรื่องเลยครับธรรมะนั้นไม่อาจค้นหาด้วยความอยากทุกความคิดเต็มไปด้วยความอยาก ความปรารถนาแต่ธรรมะนั้นเปิดเผยต่อมวลมนุษย์เหมือนดอกไม้เปิดเผยกลีบเกสอนสีขึ้นมาออกมาเราไม่สามารถทําให้ดอกไม้บานได้ครับเราไม่สามารถบงการให้ดอกไม้บานได้ดังนั้นเมื่อเราปฏิบัติธรรมนะครับเราจะถือวิธีของสมสถะก็ได้ครับพิจารณาเมื่อพิจารณาในแง่หนึ่งก็ระ ง, งับลงแง่หนึ่งแต่นี่ไม่ใช่เรื่องพุทธศาสนาครับ คนก่อนหน้าพุทิกาลนี่เขาก็ปฏิบัติกันอยู่แต่วันที่พระเจ้าประสบยานที่เรียกว่ายานเดียวนะครับไายช่วงขณะติดเดียว น, นี้เป็นเรื่องใหญ่มากครับพวกเราส่วนใหญ่ผ่านโรงเรียนหรือระดับมหาลัยมาบ้างแล้วนะครับเราถนัด ก, การสะสมข้อรู้เราเรียนรู้แบบสังสมซักกลังได้คำกระดวนคือพัฒนาลไปเรื่ียๆตอนเหมือนว่าปีปีหนึ่งปีสองปีสี่ก็รู้มากกว่าปีหนึ่งสี่เท่าอะไรเง แต่แล้วสึ่งอันนี้เอามาอธิบายการรู้กระแจ้งกระ จ, รระจกดธรรมะไม่ได้เลยครับทําไมโจรมือชุ่มเลือดอย่างองค์คิมานึงจดรู้เป็นอรหันต์ได้เหตุผลแบบแยกแยะสะสมข้อรู้อธิบายไม่ได้เลยครับในสุดผลก็คือคนรุ่นใหม่ซึ่งเติบโตภายใต้การแยกแยะห่าเหินจากความรู้ลี้ลับอันนี้ครับเพราะมันเข้าใจไม่ได้ คนที่บวชใหม่นีครับท่านสังพปริญายกหวยหลานเตือนพระพิุทธิลูกศิษย์ของท่านว่าถ้าเธินผู้เดินทางทางนี้แล้วเนี่ยอยามินคนมาใหม่ท่านนักกคิดว่าโอ้ยนี่เพิ่งเรียนชั้นประถมมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเด็กบางคนโดยธรรมชาติของเขาหรือว่ามองในแง่ลี้ลับผ่านทางครบชาติก็ได้นะครับเด็กบางคนเกิดมามีอารมณ์น้อยจิตใจดีนองมีสติยเยอะเยน เราอธิบายยังไงครับดังนั้นอนานิติกการคิดแบบแยกแยะไม่พอครับวันพอสำหรับระงับเหตุเป็นกรณีกรณีไปเช่นพลังจิตตกเสริมสร้างขึ้นมาติดในกามราคะเอาอสาุภะเข้ามาช่วยให้ได้ครับศึกษากรณีใช้ได้แต่ไม่สามารถก้าวขึ้นสู่การรู้ สภาวธทั้งหมดทั้งสิ้นภายในชั่วขณะจิตเดียว์ได้โดย mm hmm. หลักทั้นสูงแล้วนะอริยสัจสีนั้นผู้ที่บรรลุอริยสัจสี่เห็นหรือมีเห็นภายในจิตเดียวครับ mm hmm. ลองไปค้นดูถ้าเชื่อมั่นในตํารานะ mm hmm. ผมคิดว่าสิ่งนี้แม้ไม่อิงบนตํารานะครับ mm hmm. คนผู้ไม่รู้มีความรู้อะไรเลยเป็นชาวไร่ชาวสวนสามารถเข้าใจชีวิตได้เหนือกว่ารัทมนตรีคนมันนอกพอกนาเนี่ยครับ mm hmm. เพราะว่าจิต เป็นธรรมชาติเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธาตุรู้จะให้มันรู้เรื่องอื่นไม่ได้ครับเช่นไปรู้ความสงบมันก็สยกอยู่ภายใต้บรรยากาศความสงบฝึกจิตเราไม่ได้ฝึกให้มันสงบหรือไม่ได้ฝึกให้มันหายล่องวนหายตัวมีพลังในนั้นเป็นนอกแนวพุทธศาสนาครับแล้วฝึกจิตให้มันรู้ครับเพราะมันเป็นธาตุรู้ดังนั้นมันจะรู้ตรงได้จากการรู้จะนําไปสู่การเห็น การเห็นนั้นมากกว่าความรู้นะครกรู้ตัวนั้นมันเป็นเบื้องต้นเท่านั้นครับแต่ว่าปากประตูที่กุญแจล็อกอยู่ตรงนี้ครับผมเชื่อไม่มีใครเลยที่รู้ธรรมะโดยไม่รู้ตัวเพราะไม่รู้ตัวเพนภาวะมันมันตกต่ำแล้วครับผมวิจารณ์ตัวเองว่าผมจะดีกว่านี้ไม่ได้ถ้าผมรู้ตัวน้อยกว่านี้รู้ตัวนั้ลงคือมันคือชีวิตตกต่ำลงนะเพราะเริ่มเริ่มขาดสมบูรดี แต่ความรู้ตัวเป็นฐานที่ก้าวไปสู่มันเหมือนการตกผลึกทางปัญญานะครับความรู้สึกตัวสดๆที่พูดถึงนั้นมันจะค่อยๆค ล, ยคลายตัวมันจะเดินทางครับมันค่อยๆรู้เบาขึ้นเบาขึ้นกลายเป็นรู้รล้วๆลๆๆนๆครับกลายเป็นรู้ตัวล้วนๆแล้วก็รู้ล้วนๆทุ่นๆครับตรงนี้ที่สอดคล้องที่พระพายะได้รับคําสอนวะ่าเมื่อใดเธอรู้สักแป่รู้คำศักดแต่แปลว่ารู้ล้วนๆครับ ไม่มีอะไรเจอือพนเลยธาดแท้ของมนุษย์จิตใจของมนุษย์มีธาดรู้เป็นแก้วประจำประจำใจของเราเที่เบสจะมีบทมนตราที่สําคัญนะครับโอมมณีบัตเมหูข อ, ข อ, น, อน้อมน้อมแต่ดวงมณีที่อยู่ในดอกโบวใจของเราเป็นต้องทำที่จงและลึกซึ้งมากนะแต่แม้กระนั้นชาวที่เบสก็งงงายเอมมาไปใช้เป็นเวทมนต์คาถากันตีกันสาไว้ตามเรื่องครับไอ้นั้นอั น, นี้อีกเรื่อง การภาวนาในที่สุดนะครับในช่วงหลังนี้ผมอยากจะประมวลถรืว่าคือการเคาะประตูใจการไขความลับทางจิตใจและความลับนั้นถูกขอกุ้มไปด้วยกระแสความคิดซึ่งหลายกระแสเหมือนกับว่ากระเทียมหรือหอมนะครับหรือกาบกล้วยนะเพราะความคิดเป็สังขารนั้นมันเมื่อเราเปิดท่านหนึ่งเจอทอ่านหนึ่งครับเมื่อเราภาวนาไปดีด จะเรีนยนสี่าบเราคิดว่าเห็นความคิดแล้วโอ้โหที่ไหนได้ครับเหมือนกับหลังโจรเลยครับหมายความว่าก่อนหน้าที่เราจะดูจิตเนี่ยเราสึกก่าเราสบายดีไม่มีอะไรแต่พอดูเข้าไม่น่าเชื่อแล้วมันมากมายถึงขนาด น, นั้นมันเป็นบ้าครับเฉพาะประการนี้มันสะบัดแล้วเป็นบ้าคุมไม่อยู่บังคับบัญชาก็ไม่ได้ถ้าเปรียบทําไมเป็นอย่างนั้นครับทําไมเราปฏิบัติธรรมแล้วยิงึงเห็นไอ้ลังโจรมากขึ้นแทนที่จะน้อยลง มันก็อุปมาเหมือนแพทย์ก่อนหน้าที่หลุยปาสเตอร์จะพบเรื่องต่างๆนะหลอดลิสเตอร์ที่พบกล้องจุลทรรศน์ที่ดูเขาก็ไม่คิดว่ามีเชื้อโรคแต่พอพบหรือประดิษฐกล้องจุลทรรศน์แล้วนี้โอ้โหที่ว่าไม่มีนั้นยัวย่วยดีเลยครับเพอเราเริ่มต้นเดินทางไกลในในทางวิปัสนาเราเริ่มประเผชิญหน้ากับตัวเองครับไม่ใช่ไปหาตุบาอาจาร์หาตุบาอาจารนั้นสิ่งแลวลอ้อมภายนอกครับ แต่จุดเริ่มต้นจริงกับเผชหน้าตัวเองอาจจะต้องตั้งคำถามแต่อย่านานนักครับเมื่อความหวังวาดโครงการว่าดได้กบแต่อย่านานนะัมันจะเสียแรงเปล่าตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงเป็นธาตความผิดมันเริ่มระดมสังเกตเข้าไปข้างในแต่ในขณะนั้นความคิดก็ยังตอบโต้แต่เราอย่างรุนแรง แต่ถ้าไม่ถอยผมใช้คำนี้นะครับถ้าเอาชีวิตเดิมเดิมพันคําเป็นเดิมพันไม่จะเป็นตะโกลหัวออกบวชนะผมขอโทษด้วยที่พูดตรงตรงนะคำว่าเดิมพันคือเอาความจริงใจครับมาเป็นต้นทุนเลยคนระับคือเราปรารถนาจะบรรลุคําถามถัดมาคือเราอยากบรรลุจริงหรือเปล่าศาสนาของพระเจ้านี่ท้าทายคนอยากคนทุกลุนะแต่ไม่ไม่เล่นด้วยคนอยากมีนิดเลย คนอยากหายตัวได้ผมก็เล่าคำข่าวของผมเองเริ่มต้นในการอยากบอกอยากรู้ใจค น, นครับอยากอ่านจิตคนหนึ่งออกไม่เคยเฉลียวใจว่าพุทธศาสนาไม่เกี่ยวกับสิ่งนี้เลยตรงนี้ผมว่าสําคัญนะถ้าว่าเราต้องการพ้นทุกข์จริงนะความไม่ทุกข์นี่มันมีอยู่แล้วในเราครับถ้ามันไม่มีเราเป็นคนไม่ได้เลยครับเราจะทรงอยู่นี้ไม่ได้แต่ถ้าความปรารถนาทั้งปวงเราอิ่มแล้วตอนในโลกครับ เรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องกา ร, รมลพิเรื่องอะไรก็ก็เห็นเห็นแล้วมันแม้มันไม่เหลวแหลกแต่มันกม็มีสาระอะไรที่เราต้องการเป็นจริงๆมันบำบัดความกระหายความอยากได้ชั่วคู่ช่วยยาวแล้วก็เพิ่มความหืนกระหายหนักข้อทุกทีเราเริ่มรู้มันแล้วเราเริ่มจับมันได้เลยครับถ้าอย่างนั้นจุดเริ่มต้นใหม่มีอยู่ครับเ ร, เริ่มต้นจากความรู้สึกดัวส ด, สด มีชีวิตอยู่ล้วนๆเมื่อจะเดินตรงกลมไม่ต้องคํานึงถึงรูปแบบไม่ต้องถามเอาเท้าไว้ที่ไหนกาหนดยกซ้ายในยกขวาเอาล่างพลิกเลยก็เดินครับอย่าทํางั้นจริงนะผมพูดเป็นรหัสนะครับคือเอาความไม่มีอะไรเลยของชีวิตเนะี่ยเอาเท่าที่ชีวิตให้มาความคิดก็ไม่เอาครับเมื่อทําอย่างนี้ความรู้สึกตัวมันจะปลายขึ้นมันจะปรากฏขึ้นท่วนทั่วทั้งล่างนะ อย่าทำเล่นัคำคำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมนะครับเราใช้คำนี้กันจนเนื้อหาหรือความหม า, ายอ่อนถึงแล้วแต่เมื่อมันปรากฏอาการจริงนี่มันคือพลังที่กําจัดทุกโศกทั้งปวงนะครับมันไม่ใช่น้ำมนที่จะคุ้มครองจงเป็นมากกว่านั้นครับมันเป็นเหมือนที่อาจารย์ุูกโบราณเขาอุปมาเหมือนเรือนแก้วเคยเห็นไหมครับโศกิขระ ที่เขาปัน้นพระเจ้องค์แล้วก็มีเรือนแก้วคลอดเปล่งลังสีจะไปที่พุธชินราชที่ทุโลกจะเห็นเรือนแก้วนะเรือนคือบ้านนะครับที่เห็นเป็นที่จริงคือจัวมันเกิดเป็นซุ้มเรือนแก้วคุ้มครองจากฝนจากฝนของอาสวะต่างๆเกิดซุ้มเรือนโพเรือนแก้วขึ้นมาในตัวเองทั้งหมดนี้ครับเป็นอยู่ในเราไม่อาจเกิดจากการไวอก ว, วอนขอครูบาาจารย์ช่วยหน่อย ช่วยแนะนผมพ้นโศกนะช่วยเอาไม้เขกกบบระบาลสิ่งอันนี่เป็นเรื่องเล้ยวไหลครับแต่ว่ามันยังไงพูดยังไงครับไ ม, ไม่คือดีนะครับเป็นการชุ่่มใจแต่ถ้าเราต้องการสาระแล้วนั่นเป็นเรื่องได็กๆครับผมมองอย่างนั้นเนาะผมว่าพฤติกรมอย่างนั้นท่านก็หวังดีแต่ว่ามันไกลมากครับไกลจากจุดมุ่งหมายที่พระเจ้าประสงค์ให้เราเข้าถึงจุดมุ่งหมายที่พระเจ้าประสงค์ให้เราเข้าถึงก็เป็นสิ่งเดียวกับจิตดำรงของใจเราอยู่แล้ว แต่เราไม่กล้าเราลังเลดังนั้นสิ่งอีกสิหนึ่งในการเจริญภาวนาคือความกล้าครับกล้าที่เดินน้อยมีอะไรเลยครับกล้าที่มีชีวิตยอยู่โดยที่เอาตัวมันเองเป็นเดิมพันในตัวมันเองดังนั้นในแง่ดีแง่หนึ่งนการออกบวชก็คือ ง, ง่ายขึ้นนะครับมีคำพูดว่าปฏิบัติทําง่ายที่สุดกินในวัดยากที่สุดกินในบ้าน แต่ว่ามีบางคนนี้อยู่ในมิชอบท้าทายนะยิ่งยากยิ่งดีได้ลองและสักกลั้งหนึ่งไว้ว่าอย่านั้นนะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าขณะทีาา่กลังนั่งบนโถซวานอนอบนเตียงหรือถูกพื้นล้างจานอยู่ถ้าว่าระบบการดํารงอยู่วันต่อวันเราได้เคลื่อนย้ายจากระบบตะกักระบบตรึกระบบคิด คนในหัวสมองเรามาสู่ระบบสัมผัสอาจจะสัมผัสเป็นกรณีอยู่เช่นมือโดนน้าเย็นๆนะครับหรือลมพัดวู้มาหรืออากาศร้อนหรือเสื้อผ้าที่สัมผัสเราเคลื่อนการก็สัมผัสขึ้นมาถ้าว่าเกิดการเคลื่อนย้ายสมบูรณดีมาอยู่ที่ระบบสัมผัสนี้แล้วนะครับชื่อว่าเรากําลังออกติดตามรอยฝ่ากระบาดของพระพุทธองค์ไปติดๆครับผมคิดว่านี่เป็นบุญกุศล คุณผูนี้ไม่ต้องการคํารับรองจากพระ ห, หรือจากใครย่งนั้นเลยยินเพื่อคำนี้นะครับคนบราณผู้เราเป็นบุญตัวเนะี่ยผมอายุมากพอที่รับฟังทันคนบราณเขาอาบน้ําที่บอ่อน้ําวัดก็เอาผ้ากามาที่บิดแห้งแล้วฟาดในแข่งเปลียงเออเป็นบุญตัวจริงๆเขารู้สึกตัวขึ้นมานะครับร่างกายนี้เป็นแหล่งบุญอย่าไปทําลายมันมันจะกลายเป็นบ่ ค, ครับก็ข อ, อยุติเท่านี้ครับถ้ามีคําถามก็ ดีนะครับมีคำถามมากมาได้ความเพื่อนได้ความรู้เริ่มเริ่ที่หนนี่ยไม่ได้ชานเลยก็จึงเรื่องผู้ ท, ที่พยายามคิดแต่ความคิดเนี่ยว่าไม่คิดปัญญาถึงความไม่คิดเนี่ยเป็นความสุขบางครั้งคนที่ดาเนินยีวอย่างเนี้ยเป็นคนที่คิดมากที่สยเป็นคนที่คิดมากจะแสวงหา ท, ทำยังไงถึงไม่คิดคจึงเรื่องปริ ย, บยับัญญัติเนั่น มันก็คงจะเข้าใจแล้วมันก็ถามว่าพอเป็นมะม่วงได้ทีงไหนแต่ท่านเป็นแข่งเด็กกับผู้ใหญ่จะถามว่าใครเนี่ยรู้จริงกว่ากันเราก็อาจจะพูดว่าผู้ใหญ่เนี่ยรู้เพราะไปปลูกแล้วมันก็เป็นต้นวัดต้นไม้ต้นมะม่วงขึ้นต้นใจขึ้นมาแต่คนที่พูดจริงก็คือเด็ดขณะนั้นรู้จริงีิสุดถ้าไปคิดถึงว่าตอนอนาคตเนี่ยมันยังไม่จริงผู้ใหญ่นั้นอวิญญาณที่มัยังไม่เป็นความจริงแต่พูดเรื่องจริงพูดถึงสิ่งที่มันจะเป็นจริงแน่นอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่จริง แต่มันก็พูดลบาบากนี่วัเรียนปริยัติเนี่ยคนที่เรียนเนี่ยคือเสกขา่าบุคคลพระอระหันต์ท่นั้นที่ไม่ต้องเรียนและไม่ต้องรู้ไม่อะไรนอกจากเรียนปริยัติหลบรรยายนปริยัติก็เพื่อให้คนฟังปริยัติเนี่ยทิ้งปริยัติให้เขารู้ปรมัตต์เพื่อให้เขาทิ้งปรมัตต์ให้เขารู้สัจจะให้ทิ้งสัจจะนะครับมันก็ของจะต่างกับคนที่เรียนมาเลย เพราะฉะนั้นท่เรียนปริยัตเราจะเห็นว่าเรียนไปเรียนมาเนี่ยมันติดปริยัติก็เป็นเหยื่อของคนที่ไม่ได้เรียนปริยัติตลอมา น, นะครับพเพราะตัวเองคงจะไม่ได้เรียนในสมนองนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วองใตัวมันเองเนี่ยมันไม่มีอะไรทางนั้นนะฮะถ้าว่าเรามาเอา่อเรามีเราเราเราู้เราเห็นถ้าเรายังมีเรานี่มันมันหยาบนี่เราสัดไปแล้วก็เหลือแต่รู้แต่ความจริงรู้นั่นแหละก็ไม่มีก็คําคที่บอกว่ามีเหมือนไม่มีอันนี้ถูก แต่ยังคิดนะฮะเพราะตอนมันมีแล้วมันรู้ว่ามันไม่มีเนี่ยเพราะขณะที่ไม่มีจึงรู้ว่ามันไม่มีแล้วไปคิดว่าตอนนั้นมันมีตรงนี้คิดหนึ่งคิดตังมันจะอีกว่าความจริงมันไม่มีมันถึงมามีนี่ก็คิดอีกความจริงมีก็บอกว่ามีขนาดนั้นไม่มีก็บอกว่าไม่มีขนาดนั้นไม่ต้องคิดนะฮะถ้าไปสรุปว่าความจริงมันไม่มีแต่มันมีนะไอ้นี่คิดนะ กองที่ว่ามีก็บอกว่าไม่มีอบอกว่ามันเทนั้นนะไม่ต้องว่าอมันไม่มีขณะที่ถึงความไม่มีมันดับไปก็ผมไม่มีแต่ผมไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นไม่มีนะมันไม่มีตอนเนี้ยมันไม่มีนี่คือไม่ต้องคิดไม่ต้องดูไม่ต้องรู้รู้ตอนนี้ขนาะนี่มันเป็นธรรมเนียมแต่ถ้าบอกว่าไม่มีไปรู้ต้องไม่มีเนี่ยแล้วบอกว่าท้องที่มันมีนะไม่คิดกับแต่คิดอธิษว่ามันเคยมีแต่มันก็เป็นจักรเลยดีแต่ถ้ารู้แต่ไม่คิดอะไรไม่ต้องอะไรนะฮะนี้ก็มีตอนเนี้ยมี ยังมีอในการพูดมีตอนนี้ไม่มีตอนนี้ <c oughs> <ๆ> <c oughs> ก็รู้เนีย่ยคือรู้แต่ไม่ต้องคิด <c oughs> แต่ความว่คิดเป็นภาษาไทยอาจารย์พิจารณาอย่างที่ว่าความจริงหรือว่าอนุเชีงทุกขังั้นที่บอกมหายานว่าเออเนี่ยมันเป็นคําพูดนะทุกเจ้าบัญญัติถ้าเห็นจริงๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอนุเจังทุกขังั้นจ้ะเห็นแต่เกิดและจับมีแล้ไม่มีนี่ไม่มีนั่นมีแต่มื่อขึ้นมาใหม่แล้วเป็นปัจจุบันไม่ใช่มีของอันแรกนะฮะตอนนี้มีกัดับแล้วไม่มีเห็นแค่มีกับ แต่พิจารณาว่าแล้วมันมีประโยชน์อะไรผู้าให้เห็นประโยชน์ว่าแต่เห็นว่ามันไม่ได้ตั้งอยู่ตัจริงเนี่แล้วไม่มีมันตั้งไม่อยู่เห็นทุกเป็นโทษแล้วทำไงอ่ะไม่คนรยึดถือเลยจนกระทั่งถึงตัวสุดท้ายล้วนมีแต่ตัวรู้และวางเฉยในความรู้ไม่มีสมมุติไม่มีปัจจรมัดแม้แต่ตัวรู้ก็ยังเป็สิ่งที่ไม่มีสาระด้วยเพราะมักกระทั้งเดียวก็ดับไม่มีอะไรเลย ก็ไม่ต้องพูดอะไรนะฮะไม่ต้องมัประปพวกเผู้รู้ได้ใช่ไหมฮะจริงๆเราตอนนั้นก็รู้เขาก็สงบตอนนั้นไม่มีบัญญัติไม่มีปรมัตถท่ามาอยู่ในอารมณ์ของเราครัเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ต้องพูดอะไรว่าถึงนกันนั้นใช่ไหมฮะผมก็มองเห็นว่านี่เห็นนะฮะเห็นแต่ไม่ได้เห็นอะไรเลยก็คือที่เราหนี่ยครับเห็นครับแต่ไม่เห็นอะไรเลยเมื่อ บาศกคนหนึ่งครับเจ็บป่วยบาศกคนนั้นเป็นเป็นผู้รู้ธรรมะผู้เจ้าส่งสาวกไปเยี่ยมแต่ะองค์ก็ปฏิเสธเพราะว่าไม่สามารถประคารลมของบาศกคนนั้นได้เลยธานนท์ก็ไม่กล่าวสาริบุตรว่านี่เป็นคำพีหวานมายามีมลเกียรติทศสุดผมชอบมากๆในที่สุดก็มาถึงเอาโลยเตสวน หรือมันชุศรีอมจำให้แ่นนะก็โตธรรมะกันในเรื่องปรมาติเรื่องสมมติอะไรเหล่านี้ในสุดวิมลเกียรติพระราชทานให้พูดเรื่องพระนิพพานพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าพรนิพพานนั้นพูดไม่ได้แต่ถึงตาวิมลเกียรติวิมลเกียรติลูกนี่ให้หุบปากนิ่งเลยครู พูดไม่ได้ก็ไม่พูดผมปากนี้นะนั้นมีคำกล่าวในการเผยแพธ่ธรรมชั้นสุดยอดนีนะครับเผยแพร่โดยการไม่พูดซึ่งความดูแล้วมันมันค่ายเดรวาสซึ่งไม่ค่อยคุ้นเคยกับโมหานเช่นนี้นะครับเราอาศัยแจกแจงเป็นสมมติเป็นปรมาณเพื่อเป็นประโยชน์เบื้องต้นครับ ย้อนไปจริงนะเมื่อสมัยที่พระเจ้าสวนทางอุปการชีวะนะครับท่านสอนครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ล้มเหลวท่านเล็นด้วยผมต้งขอโทษด้วยที่ว่าพระเจ้าก็ล้มเหลวได้เหมือนกันเพราะไม่มีสมมติเลยดนะังนั้นท่านบอกข้อตรงก่าท่านคือพุทธะท่านบอกภาวะจริงๆให้ฟังแต่ผู้ฟังไม่พร้อมที่จะรับครับเขาก็จะเอาล่างกายหน้าตาแล้วก็แต่ท่านอวดอวดภูมิด้วยท่านบอกภาวะอะไรบางอย่าง ซึ่งผมเชื่อต่อจากนั้นพระเจ้าท่านเริ่ม ล, ำลำําหำด่บสมมตุติทสัตย์จากขึ้นมาเพื่อให้ไต่เต้าไปเพื่อล่อดวงจิตให้ไต่ขึไปที่นิดทีนีน้แล้วเพื่อไปรู้เองครับนั้นสมมุติก็เป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่นะครับพุทธศาสนาแบ่งสัตย์จากไว้สองสมมติทสัตจากและประมาสุทธิสัตย์จากปรมัตุิสัตจากนั้นเป็นสิ่งที่เป็นจัดตั้งจัจทงที่เข้าถึงด้วยดวงตัวเอง แต่สมมุตินั้นมีคนนำทางได้ครับ เ, เช่นสมมุติเรื่องขันห้าบางคนอาจจะค้านนะครับว่าขันห้านี่เป็นปรมัติจริงขันห้าเป็นเกณฑ์ที่พิเจ้าวางขึ้นนะครับเปรียกเหมือนเป็นลุงเช่นแหวงซึ่งไม่มีอยู่จริงในโลกนี้แต่ถ้าเรือลำหนึ่งอับปางขึ้นมาก็สามารถทรงข่าวตำแหน่งแห่งคนนั้นได้และจะช่วยทันไม่ทันเรืจมหรืออัปางลง สมมุตินั้นมีประโยชน์มหาศา ล, ลนะนะท่านลุงท่านแหวงทั้งๆจริงๆมันไม่มีในโลกนี้ครับสมมุติขันห้าเหมือนกันนะครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นที่ตกเสียงกันว่ารูปขอบเคศนเพียงใดข้างการนี้หรือไม่คําำย า, ยามของท่านคือสิ่งที่เห็นด้วยจับจุดพาทิตย์นะครับคือรูปรอาคารนั้นเรือนร่างของมนุษย์คือจักรวาลทั้งหมดครับนี่นิยามที่กว้างใหญ่โตมโหาาล สาดินน้ำไฟลมในตัวเราไม่ได้แยกจากโลกและเทววัตถุในจักรวาล น, นี้เลยเวทนาสัญญาสัขงขารยิญญาเนะยครับพูดไปแล้วขันห้าคือจักรวาลทั้งหมดนะโดยการแบ่งนิยามนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยทำให้คนเริ่มไต่ทางความคิดไปท่านแบ่งเป็นขันห้าเพื่อพิจารณาลูกไม่มีตัวตนนะลูกก็ะสับไปรูกเนะ mm. เวทนา mm. ก็อรหันก็ไม่มีในเวทนานะ เวทนาก็ไม่เป็นอาหารหันนะท่านแจกขึ้นมาเพื่อทีไม่มีตัวตนอ ย, อย่างไรเท่านั้นนะครับเปรียบเสมือนการเอาแหไปทอดเพื่อจับปลาพอได้ปลาแล้วเราแกงปลาเราคงไม่แกงแหแน่นั้นการที่พูดกันว่าขันห้าคืออะไรถกเสียงทางวิชา ก, การเพืเสียเวลาเปล่านะสิ่งสำคัญคือบางครั้งในเรื่องปฏิจจสม บ, บาตท่านจับทั้งสิบสองหรือสิบเอ็ดห่วงโซ่นะ บางครั้งสาบางครั้งสองปัญหาเงนเกิดปาทานพอละรู้เท่านี้พอรู้ว่าสิ่งต่างนมันมันอิงกันอย่างไรนั้นถาวากูเจ้ามีทั้งสิ่งที่สอนตรงๆอย่างง่ายดายและสลบสับซับซ้อนมันขึ้นกับจิตนิสัยของผู้เรียนด้วยคนบคนถ้าไม่เรียนทางปริยัตมาก่อนศรัทธาก็ไม่เกิดในทางภาวนาแต่เมื่อได้ยินได้ฟังความลุ่มลึกทางปัญญาแล้วเกิดศรัทธาเรื่มไถ่ปฏิบัติกาย คนเป็นคนพร้อมอยู่แล้วครับมีความทุกข์ยากคนชี้ทางเลือกให้ก็เอาเลยดังนั้นเราต้องเข้าใจความหลากหลายอันนี้นะครับนั้นเราไม่ควรประนามมหาญาณนี่เป็นพวกนอกรีดนอกร้อยผมแต่ก่อนคิดอย่างนั้นจริงนะเดือนนี้ไม่เลยคนระับพูดด้วยใจจริงว่าพุทธศาสนาคือหัวใจดยุยกที่เป็นลูกหัวใจคนระับมันแตกออกเป็นสองเสียงต่อเมื่อ น, นํามาประกอบกันแล้วเขาเมื่อา น, นั้นเราจะเริ่มเห็นนะครับว่าอะไรเป็นอะไร จะโทษอาจารย์มหายานที่แต่งพระสูตรขึ้นใหม่บางพระสูตรลังกาวตาวสูตรแต่งให้พระพุทธเจ้าจเสด็จไปกรุงลงกาไปทกปัญหากับทศกัณเลยครับฟังดูเราสะดุ้งเรื่องเอ๊ะเอากันถึงขนาดนั้นเชียวหรือเราจะตกใจต่อวิธีทางอันนี้นะลงอ่านข้อความดูจะพบว่าโอ้โหคาถามที่ทศกัณถามพระเจ้าในลึกซึ้งนั่นเลยครับถึงแก่นตรงนั้นเลยครับลังกาวตาวสูตรผมผมเรียกร้องใ ห, ให้ความเป็นธรรมแกมหายานนะครับ หรือยินญานหรือเถรวาสตางเพื่อว่าเราจะได้ให้ล้มโพล้ม่จของพุทธศาสนาแผ่ไปสอนครอบคุมนกนานาชนิดไม่ใช่ชนิดเดียวไม่ใช่อีแงหรืออีกาอย่างนั้นนกเล็กนกน้อยได้พึ่งได้ถิ่นแม้ที่เรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องส ม, มุด ต, ต่างๆเป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นครับแม้จะเรื่องความเชื่อเรื่องพบชาติก็เป็นสิ่งที่คำจุนจริยธรรมชาวพุทธเราเชื่อว่าเราเคยพบกันแล้วเมื่อชาติก่อน กับคูครองของตัวนยากที่จะหย่าราครับรักกันมาตั้งหลายสิบชาติั้งแต่จะมาแยกกันง่ายได้หรือครั้งหนึ่งพลังความเชื่อนี้นะครับเคยขำจุนวิถีชีวิตแบบแต่ใจมานานแต่มาถึงสมัยนี้เราถูกชาวไทายแล้วครับถูกทาวไายจากผู้ที่ต้องการเหตุผลด้านอนาลิติกการคิดเชิงเหตุผลถ่ายเดียวจริงๆนั้นมีสองสิ่งนะครับสิ่งที่พึงเชื่อวัตถุที่ตั้งของความเชื่อ แตกต่าวัตถุที่ตั้งความจริงบางครั้งมนุษย์เราเราเข้าตาจนเข้าใจความจริงไม่ได้เรายังเชื่ อ, อได้เลยครับผมเชื่อพระเจ้าตอบสรู้จริงช่วยไม่ได้ที่ผมเชื่ออย่างนั้นตามมาเหตุผลอะไรคุเชื่อผมตอบไม่ได้แต่ผมโน้มใจเชื่อนี่ดูจะคล้ายไรเหตุผลแต่มันมันเป็นความเชื่อเป็นวัตถุที่ตั้งความเชื่อนะครับเรียกว่า matter of belief ผมอยากจะเชื่อพ่อแม่รักเราจริง ใครพิสูจน์ดูไม่จริงเนอะฉันเห็นตอนเธอเด็กๆนะเขาไม่ได้รักเธอเลยผมไม่เชื่อผมเลือกเชื่อด้วยนะผมเลือกที่จะเชื่อด้วยครับไม่ใช่ว่าจะเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างไปผมเชื่อพระเจ้าสับสุรู้จริงทาั้งๆหาเหผลอื่นไม่ได้นะครับแต่ผลของผมมีอยู่ตรงที่ว่าเมื่อพิเคราะห์ดูคําสอนแล้วบริสุทธิ์เจตนานานดีต่อมนุษย์เมื่อท่านถูกถามว่าพระองค์เป็นสับพันญูหรือคำว่าสับพันญูนะครับ ในอินเดียครั้งหนึ่งถ้าถามนี้เป็นคําเดียวคําถามว่าคุณเป็นพระเจ้าเลยรู้ทุกสิ่งทุกขณะพระเจ้าบอกเปล่าท่านไม่ได้เป็นสับปะรอยู่ซึ่งฟังแปลกแปลกหูนะครับเดี๋ยวนี้ชาวพุทธเรียกพรงท่านเป็นผู้รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสับพันอยู่แต่พระองค์ท่านกลับปฏิเสธพรามผู้ถามยังเข้าข้ามท่านเองนะก็ย้อนถามก็แล้วเมื่อถูกถามปัญหาทำไมพระองค์ท่านตอบได้ราวกัรู้อยู่ตลอดเวลา ผู้เจ้าเปล่าเนื้อนอธิบายจิตท่านบริสุทธิ์มาถูกถามปัญหาก็โน้มกระสกปัญหาปัญหาก็แตกออกตรงนั้นแหละไม่ได้รู้ลงหน้าไม่ได้คิดอะไรทั้งวันทั้งคื น, นครับที่จริงท่านจะเคลมมันก็ได้นะว่าท่านรู้มาลงหน้าปรามันก็เชื่ออยู่แล้วครับแต่ท่านมีเกียรติเพว่าบรรดา า, าสดาทั้งหลายมีองค์หนึ่งที่เตรียมมาด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีไม่ครอบงำเพื่อนเมบางครั้ ง, งท่านสอนเขาก็ไม่เชื่อถ้าบอกงั้นก็พักก่อน การามาจูดจะยืนยนได้ดีที่สุดข้อสุดท้ายไม่ให้เชื่อแม้แต่ครูรวมทั้งตัวท่านด้วยเป็นคนที่ให้เกียรติให้อิสรภาพแก่มวลมนุษย์มากที่สุดพระองค์หนึ่งเท่าที่โลกเคยมีครับแล้วความปรานมาม่างางท่านนั้นก็เกิดจากการบันยับธรรมะที่หลายหมวดหลายหมู่เพื่อเหมาะกับจิตนิสัยของแต่ละคนคนบางคนนี่เขาต้องการบางกรรมฐานบางสิ่งบางอยา่าง นั้นพุทธศานาในกลางมันล้มไม้ซึ่งมีความหลากหลายอยู่ในตัวมันเองอย่าตกใจนะครับว่าบางมีกายสอนตรงข้ามกัเราต้องไต่สวนทวนความจนชัดเจนนะครับและทวนความเฉพาะที่ผิวเปลือกผิวหน้าก็ไม่ได้ครับผมมักจะได้ยินผู้ที่ศึกษาเรื่องวัฏรยานตนระผิวเผินชอบด่าชอบปรนะนามเนาะแต่เช่นเดียวกบที่ชาวพุทธไม่รอบรู้ด่าพวกพราม์ ต่างๆกันนะที่จริงพระเจ้าท่านไม่ได้ด่าพรามท่านสรรเสริญพรามนะครับไม่เรียกพระอราหารนันต์ท่านเป็พรามที่แท้จริงนะครับเพฉะนั้นเราเราด่วนได้ไม่ได้ครับถ้าหาก็เราด่วนได้แล้วแยกแยะปีความเพื่อเพื่อลดเครดิตของนิกายอื่นชื่อเราขาดเมตตากรุณานี่เป็นสิ่งสําคัญและขาดมนุษยธรรมด้วยครับชาวพุทธทดีนั้นคือชาวพุทธที่ ผมเอ่ยขึ้นเพราะว่ามีคนมาชักชวนให้เซ็นชื่อเรียกร้องให้ล่างรัฐธรรมนูญนะเป็นเมืองคุทเลผมจะไม่เซ็นครับผมรู้สึกเป็นพันผิดมหันต์ที่เซ็นกข้าไปผมเป็นด้วยว่าภัยศาสนานี่มีการถูกลุกรานนั้นมีแต่ชาวพุทต้องรับมือด้วยวิธีทางปัญญาไม่ใช่ด้วยวิธีทางการใช้อำนาจครับทำอย่างนั้นไม่ได้ครับพระเจ้าโศกครั้งนี้ดีซึ่งเคย พระดุงพุทธศาสนานั้นก็เคยดำเนินนโยบายในการปกครองรัฐจักรวรรดิของท่านด้วยการตัวทนเองแม้จะเป็นพุทธที่เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาในพรษษะพุทธศายนาะแต่ว่าให้การอุปรมาจนทุกทิฐิทุกนนกายครับในฐานะเป็นเป็นธรรมะเหมือนกันแต่ต่างระดับนี้คำถามอนุทธาสครับ ก้สงสัยพี่อยากจะขอเรียนถามอาจารย์ดัง น, นี้นะคะ